ยาซีเรียกเรื่องหมอผี <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องเดินอย่างรีบร้อนมาหาหลวงพ่อชาที่กุฏิ ซึ่งท่านใช้รับแขกผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งถูกวิญญาณดุและชั่วร้ายเข้าสิงเมื่อคืนวานเขาช่วยเธอไม่ได้จึงพาเธอมาหาพระผู้ใหญ่ขณะที่กําลังพูดกับหลวงพ่อได้ยินเสียงวีดร้องใกล้เข้ามาหลวงพ่อสั่งให้สามมันเนรสององติดไฟต้มน้ำทันทีแล้วสั่งให้สามมนเนรอีกสององ ขุดหลุมใหญ่ๆ ใ, ใ, ใกล้ๆกุฏิของท่านไม่มีสามเณรองค์ใดรู้ว่าท่านให้ทำไปเพื่ออะไรชายชาวบ้านร่างกำยามสี่คนซึ่งล้วนแต่เป็นชาวนาอีสานที่ทอรหดพาผู้หญิงที่กําลังดิ้นเร่าๆเข้ามาอย่างยากเย็นขณะที่เขาลากเธอเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอตะโกนร้องไห้คําคลามกต่างๆ หลวงพ่อเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านตะโกนสั่งลูกศิษย์ว่าขุดเร็วๆ เ, เข้าต้มน้ำให้มันเดือดเร็วๆขุดหลุมใหญ่ๆเติมน้ำเยอะๆทั้งพระและชาวบ้านที่อยู่ใต้ทุนกุฏิหลวงพ่อไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท่านกำลังจะทำอะไร ขณะที่เขาฉุดหญิงที่กำลังกรีดร้องคนนั้นเข้ามาที่ใต้ถุนกุฏิน้ำลายเธอก็ฟูมปากแล้วตาแดงก่มราวกับเลือดเบิกโพรงด้วยความบ้าหน้าตาบิดเบี้ยวขณะที่เธอพ่นคำลามกหยาบคายใส่หลวงพ่อผู้ชายอีกหลายคนต้องเข้าไปช่วยจับเธอไว้ขุดหลุมเสร็จหรือยังเร็วๆ เ, เข้า น้ำเดือดหรือยังเร่งไฟหน่อยหลวงพ่อตะโกนกลบเสียงแผดร้องของหญิงคนนั้นเราจะจับตัวโยนลงหลุมเอาน้ำร้อนราดแล้วฝังไว้เลยเราจึงจะไล่ผีมันได้เอา้าขุดเร็วๆต้มน้ําอีกพวกเราเคยเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า ไม่มีใครจะแน่ใจได้หรอกว่าหลวงพ่อจะทำอะไรท่านเป็นพระที่ยึดหลักความไม่แน่นอนแน่นอนว่าชาวบ้านต้องคิดว่าหลวงพ่อจะโยนหญิงที่ถูกผีสิงลงในหลุมเทน้ำเดือดจนท่วมร่างเธอและฝังเธอเสียแล้วเขาก็ยอมให้ท่านทำเสียด้วยตัวเธอเองคงคิดเช่นเดียวกัน เพราะเธอเริ่มสงบลงก่อนที่หลุมจะขุดเสร็จและน้ําจะเดือดเธอก็นั่งสำรวมอยู่ในความสงบอย่างหมดเรียวแรงตรงหน้าหลวงพ่อมอบรับพร อ, อย่างสงบเรียบร้อยก่อนที่เขาจะค่อยๆพาเธอกลับบ้านช่างหลักแหลมเสียจริงๆหลวงพ่อชาทราบว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกอะไรครอบงําหรือคนบ้า ล้วนแต่มีพลังภายในตัวเองที่เราเรียกว่าพลังแห่งการรักษาตัวรอดอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นอาศัยฝีมือและการเล่นละครที่ดูสมจริงท่านก็สามารถกดปุ่มในตัวผู้หญิงคนนั้นให้ความรักตัวกลัวตายและการกลัวความเจ็บของเธอเองขับไล่เจ้าผีร้ายที่เข้าสิงเธอออกไปได้ นี่คือปัญญาการอย่างรู้โดยไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่มีการวางแผนรู้เฉพาะการ